Thank mm -hmm. you. ฟังแล้วไม่มีการก ร, รนะทำเลยก็ไม่ค่อยจะมีประโยชน์เพราะว่าการฟังธรรมเลยมันเป็นการกระทําเพราะว่าพวกเราเวลานี้กำลังมาปฏิบัติธรรมในภาควิชากรรมฐานวิชากรรมฐานเป็นวิชาที่ลีขิตชีวิตของเราเอาการกระทําบุกเบิกไม่ต้องไปใช่ เหตุช่ผลใช่หัวคิดไม่ใช่เป็นการกระทําเมื่อมีการกระทําเกิดขึ้นมันก็มีการพบเห็นเห็นสิ่งที่เราทําเห็นสิ่งที่เราไม่ได้ทําเช่นเราจลวญสติไปกับกายเห็นสติไปอยู่กับกายกายมันก็เคลื่อนไหวเห็นในสิ่งที่เราไม่ได้กระทําคือเห็นมันคิด เห็นมันปวดเห็นมันเมื่อยเห็นความง่วงเงาเหานอนสิ่งที่มันมาแทรกเกิดแทรกขึ้นมาเราก็กาหนดรู้ล้วก็กลับมากลับมาตั้งมามีการกระทาอะไรที่ไม่ใช่สติเราเห็นหมดมันแสดงมาให้เราเห็นมันโชว์บางยางมันก็โชว์มากๆโชว์เพื่อให้เราแก้ไข เป็นความง่วง เ, เหงาห่นอนความลังเลสงสัยความคิดปุ่งสาดเหตุผลต่างๆบางทีมันโชวกว่าสติโชกกว่าความรู้สึกตัวเราก็กลับมากลับมารู้สึกตัวความรู้สึกตัวในเป็นหลักเป็นฐานเป็นที่ตั้งตั้งเอาไว้ให้มันตั้งอยู่นาน ให้สติมันตั้งอยู่กับกายนานๆทําใหม่ๆอย่าเพิ่งไปยุ่งกับความคิดถ้าได้อารมณ์แล้วจึงค่อยไปบําเพ็ญทางกิจทําใหม่ๆนให้มันคล่องอยู่กับกายไปก่อนเกาะไว้ก่อนตั้งไว้ก่อนเหมือนกับเราปลูกข้าวปลูกพืชตั้งไว้บนดินต้นข้าวต้นกล้าที่เราตั้งไว้บนดินมันก็มีประโยชน์ มันก็แสดงจ้างสันของมันเกิดลากเกิดเก่งก้านสาขาจเจริญเติบโตสติที่มีไปในกายเนี่ยหลายๆยอย่างที่มันเกิดคุณภาพไปพร้อมๆกันกว่าที่เราจะมีสติไปในกายมันผ่านอะไรมาผ่านอะไรมามากมายกว่าที่จะมามีกายเป็นหนึ่ง เอ ก, กขตามีกายเป็นหนึ่งรู้สึกกายเพื่อนไหวไปมามันก็มีสิ่งที่ผ่านมาพ้นไปหลายอย่างถ้ามีสติไปในกายรู้สึกตัวอยู่หนึ่งวันสองวันสามวันสี่วันห้าวันเหมือนพระพุทธเจ้าตัดตอไว้ผู้ใดมีสติไปในกายอย่างต่อเนื่องเกิดอเนกสงสองประการ ความเป็นพระเกิดขึ้นตรงนี้ไม่ใช่บวชโกนผมผมพ่อเหลืองอุปชาคณะสวดกรรมวาจาจารย์อนุสาวนาจารนั่นเป็นสงสมมุติสมมุติสงที่ตามธรรมเวไนเป็นแบบเข้ากรอบเข้าพิมพ์เพื่อปฏิบัติธรรมแต่การที่จะบรรลุธรรมจริงๆมันต้องมีสติไปในกาย อย่างพระอาหารหันต์เช่นพระมาหากัสปะไม่ทำอย่างอื่นรับโอวาทสามข้อว่าพระพุทธเจ้าตรัสสอนพระมาหากัสปะซึ่งบวชเมื่อแก่รุ่นลาวคราวเดียวกับพระพุทธเจ้าความสูงลักษณะท่าทางเท่าๆกันจนห่มผ้าเกวีนได้ผืนเดียวกัน พระพุทธเจ้าสอนพระมหากาัสปะเธอจงมีสติไปในกายเธอจงมีสติไปในกายเธอจงเงี่ยงหูค ว, วงไม่ทาที่มีใครพูดเธอจงเคารพภิกษุผู้หนุ่มผู้ปานกลางผู้เท่าอย่าเป็นผู้ยุบหูชูตนยืดยิ่งสามข้อนะทำให้เกิดเป็นพลหันดสติไปในกายมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย อย่าไปมองว่าเท่านี้หรือหลวงพ่อเท่านี้หรืออาจารย์ไม่ใช่พ่อเคยพูดหลายครั้งหลายหัว่าถ้ามีสติไปในกายต้นตัวของมันก็อยู่ตรงนี้มันก็ละความชั่วมันก็ทำความดีมันก็กิดบริสุทธิ์มันเป็นทั้งศีลมันเป็นทั้งสมาธิมันเป็นทั้งปัญญามันเป็นการทำบุญแล้วมันมีอันเดียวแล้ว ถ้าทุกคนมีสติทุกคนมีสติมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะกาทรทะเลาะวิวาทไม่เม่ต่างคนต่างดูแลตัวเราอยู่ดูแลตัวเราให้คุ้มไม่ให้มันสับสนวุ่นวายามีสติไปในกายมมีสติไปในกายจนมันเป็นอันเดียวในกายก็เป็นแต่สติหายใจก็สติเคลื่อนไหวอะไรก็สติ ยืนเดินนั่งนอนคือสติเป็นหนึ่งละวันเป็นหนึ่งละวันอยู่เป็นที่เป็นทางเป็นหลักเป็นแหล่เป็นระเบียบมนชีวิตเป็นระเบียบเฉพาะเรื่องเฉพาะราวไม่มีหลายเรื่องหลายราวทาอะไรก็มีสติทํำอะไรก็มีสติถ้ามันเป็นแล้วนะแต่ถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นขณะเดียวกันเช่นเราอ่านหนังสืออ้าว อ่านหนังสือไม่รู้เรื่องกาะอะไรมันคิดต้องกรรมอามาอ่านใหม่ทำอะไรก็ตามสอบสนทำอะไรก็ไม่ยากทำอะไรก็มีง่ายทำอะไรก็เป็นทุกข์ทำอะไรก็เป็นสุขทำอะไรก็หลงมันไปแบบนั้นถ้าไม่มีสตินะถ้ามีสติมันเฉพาะเรื่องเฉพาะเรื่องทำงานอะไรก็เฉพาะทำงานขวดบ้านก็กวดบ้าน ไม่มีความคิดมาแทรกแซงไม่เอายากเอาง่ายมาแทรกมาแซงถ้าคนไม่มีสติเนี่ยทําอะไรก็ยากแล้วทําอะไรก็ง่ายแล้วทําอะไรก็ไปหลายอย่างนะมันไม่ใช่เรื่องเดียวผู้มีเอต卡车เอต卡车ตาจิตเป็นเรื่องเดียวหนึ่งเดียวเฉพาะเรื่องเฉพาะเราวนี่เราฝึกอย่างนี้มันก็ถนอมถนอมชีวิตไม่สิ้นเปลืองในพลัง มันเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาพระพุทธเจ้าได้ตัดสั้นเป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะหงได้ศึกษาเรื่องนี้เพราะอาหารทั้งหลายต่อทำแบบนี้กันทั้งนั้นมีสติมีสติเธอจงมีสติทุกเมื่อมัจจุราชจาตามไม่ทันนะถ้ามีสติเนะ่เราจึงสร้างใไรขึ้นมาสร้างขึ้นมามีสติมันก็จะเห็นอะไรที่ไม่ใช่สติ มันจะเป็นที่เรียบมันจะเป็นที่วัดมันจะเป็นได้แบบถ้าจะว่าแล้วความหลงไม่ได้แบบความรู้สึกตัวในได้แบบแบบชีวิตเราความโกรธไม่ได้แบบชีวิตไม่ได้แบบความรู้สึกตัวคมไม่โกรธเป็นชีวิตที่มีได้แบบความทุกข์ก็ไม่ใช่แบบแบบแผนของชีวิตเรา ความไม่ทุกข์ความไม่สติอเนี่ยเป็นแบบอะไรก็ตามทามันได้แบบมันใช่ได้นะกายของเรามันก็ได้แบบใจของเรามันได้แบบของชีวิตจิตใจเรา เ, เราจึงมาสร้างตัวเนี่ยขึ้น่าให้มันได้แบบฉแบบบับแบบฉบับเล้เป็นทักธรรมเป็นทั้งวินย ไ, ไม่ใช่ไปท่องบ่นเราวัดอยู่ให้มันได้แบบเดี๋ยวนี้เรากำลังสร้างแบบแบบฉบับคือธรรมวนไนย ท ร, รมาเวไนวิก็คื อ, คอวิเศษไนยะคือนนำไปนำไปอย่างวิเศษนำไปอย่างสุดยอดของชีวิตคือมันได้แบบมันเราจะมาสร้างขึ้นมามันก็ไม่ฟรีเราสร้างนะมันเห็นอะไรมันผ่านอะไรความหลงเกลียดขลังเกีหนผ่านมาเป็นความรู้ความทุกข์เกขลังเกหนที่มันเกิดขึ้นผ่านมาเป็นความรู้ เอาความหลงไว้หลังไว้เรื่อยๆเอาความสุขความทุกข์ไว้หลังไว้เรื่อยๆเอาความหลงเอาความหลังเลยสงสัยไว้หลังความง่วงเหงาหอนอนเอาไวห้ไวหลังเอาไว้หลังเรื่อยๆผ่านอะไรมาเห็นอะไรมากับหูกับตาเช่นเห็นความหลงกับความรู้หรือซิมันต่างกันเหมือนผ้ากับดินถ้าคนที่เคยมีความรู้สึกตัวแล้ว เขาไม่เอาความหลงลงมันเปิดเปื้อยถ้าหลงเทใดเราก็เปิดเปื่อยหลงไปในความคิดก็ดีเปิดเปื้อยจิตหลงไปในทางกายก็เปื่อเปื้อยกายความรู้เป็นเครื่องประดับความรู้สึกตัวเป็นเครื่องประดับชีวิตเรามมนต้องมีอาภรคือความรู้สึกตัวเป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องประดับถ้าคนไม่มีสติเขาอยู่กับความหลงได้เฉยเมยอยู่กับความโกรธได้ อยู่กับความทุกข์ได้คนที่ไม่มีสตินะเขาก็พอใจในความหลงเขาก็พอใจในความโกรธไม่ใครไปห้ามเขาเขาก็ไม่หยุดเขาพอใจไม่ ไ, ด, ไ, ม ไ, ด, ไมด้ไม่ได้ไม่โกรธไม่ได้บางทีก็ทุกข์ก็ยังเอาอมอยู่นั่นเพราะเขาหลงนั่นเราจะมาฝึกถ้าคนผู้มีสติจะรู้จักเลือกการฝึกสตินี่แหละคือฝึกปมมยัน พรห ม, มจรรย์บริสุทธิ์ทําให้บริสุทธิ์ทั้งกายและจิตใจที่สุดคือพรห ม, มจรรย์ศาสนาของพระสั ม, สนะมมาสัมพุทธเจ้าน่ยคือพรหมจรรย์เต็นที่สุดคือความบริสุทธิ์เราจึงมาฝึกฝึกไปฝึกไปสติตัวเนี่ยมันประสบการณ์มันพบเห็นในชีวิตของเราในกายในใจนะเนี่ยเรียนมาเป็นสติเปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกตัวเปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกตัวกํามือเดียว กำมือเดียวจริงๆพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบสอนพิกษุมนครั้งหนึ่งพระองค์พาพิกสุเดินผ่านป่าใหญ่ป่าประดูลายป่าปอดูลายแล้วก็มาปลูกไปหน้ากติจารกับผลซื้อมาต้นละหลายร้อยบาทเขาซื้อมาให้งค์ก็จับใบไม้ขึ้นมากำมือเดียวโชว์ให้พิกสุดูนี่พิกษุทั้งหลาย ใบไม้ในกำมือเรากับใบไม้ทั้งป่าอันไหนมันมากกว่ากันพี่สูถงก็ตอบว่าไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบกันได้ใบไม้ในป่ากับใบไม้ในกำมือของผมงใบไม้กำมือของผมงนิดเดียวใบไม้ทั้งป่ามากมหาศาลพระเจ้านี่แหละธรรมะที่เราเอามาสอนกเธอเพียงกำมือเดียวส่วนความรู้ที่เรารู้มากมาย เท่ากับใบไม้ในป่าใบไม้กระเมิดเดียวแล้วความรู้สึกตัวก็ไม่ได้พกพวาถ้าจะเปรียบเทียบแล้วนะก็มีไม่มากชีวิตของเรามีกายมีใจมีสติอยู่กับกายไม่สติอยู่กับใจแต่ใช่กายใช่ใจใช่วาจาเคยพูดหลายครั้งหลายหนใจปิดกบก็คือกายคือใจของเรานะ แปดหมื่นสีพันเรื่องอยู่กับกายกับใจกับวาจาของเราเป็นตําราบาปก็เกิดขึ้นตรงนี้บุญก็เกิดขึ้นตรงนี้เปตสุรกายสัตว์นรกไดรฉานตลอดถึงพระเทวดาถ้าอินพระผมเกิดขึ้นในกายในใจของเราเกิดขึ้นตรงนี้จะเป็นนรกก็เรื่องของกายของใจจะเป็นเปตสุรกายก็เป็นเรื่องของใจจะเป็นพระก็เรื่องของกายของใจ มันเป็นพบเป็นภูมิมันเกิดมันดับมันเกิดกีคลั่งจีหลนเกิดทางตาเกิดความรักความชานเกิดทางหูเกิดอะไรต่างๆมันเกิดมันดับถ้ามีสติมันกักคุมกำเนิดของสังขารของสมุทัยเป็นตัวคุมกำเนิดของสังขารทั้งหลายไม่ให้เกิดให้เป็นชีวิตที่หนึ่งเดียวคือความรู้สึกตัว เมื่อมีความรู้สึกตัวเราก็มันก็เป็นศีลเป็นธรรมมันก็เป็นประโยชน์ต่อชีวิตต่อสิ่งอื่นสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไปนะเราจะมาสร้างตัวนี้ความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนะ่ะไม่ใช่แต่ความรู้สึกตัวที่สุดถึงทุกข์เจจะปะูดถึงมรรคถึงผลมรรคก็คือรู้สึกตัวดูอยู่นี่แหละ เห็นมันอยู่นี่แหละดูอยู่นี่แหละมักคือดูตาในดูอะไรมันเกิดขึ้นดูลู่แล้วถ้าได้เห็นแล้วก็ได้คำตอบหลุดพ้นตรงนั้นถ้าเห็นเราก็หลุดพ้นตรงนั้นเหมือนตาที่เราเห็นเห็นงูก็าไม่ถูกงูกัด้าเห็นแล้วเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เห็นได้ตาเป็นตาเนื้อนะใช้ตาให้สำเร็จประโยชน์เดินทาง ดูอะไรที่ได้คําตอบอยู่กับการมันตาเราเห็นเราเห็นหนังสือเราเห็นฉลากของยาเราเห็นเครื่องใช้ไม่สอยเราก็จับไม่ผิดตาในคือสติปัญญาเนะี่ยมันเห็นแจ้งยิ่งกว่าตาเนื้อเข้าไปตาในมาเห็นแต่เป็นวัตถุตาเนื้อเห็นนามธรรมานามธรรมาคือความคิด นำมทาทำคือ ค, ความโกรธนำมท า, ามทำคือความโลภนำมาทำคือความหลงนำมาทำคือความรักความชังนำมาทำคือความยินดียินไล่มันเกิดอยู่ในจิตตาในของเราจะเห็นเห็นแล้วเกี่ยวข้องกับเสียงที่มันเกิดขึ้นมาอย่างถูกต้องเห็นความหลงก็ไม่ได้หลงแล้วเพราะเห็นแล้วมันก็เห็นงูเห็นความโกรธก็เห็นแล้วความโกรธทาอะไรให้เราไม่ได้เห็นความทุกข์ ความทุกข์ก็ทําอะไรเราไม่ได้เพราะเราเห็นแล้วหลุดพ้นแล้วถ้าเห็นก็หลุดพ้นไปเรื่อยๆนะเนี่ยเราสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาก้มหน้าก้มตาสร้างลงไปเห็นไปเห็นมาเห็นความหลงเห็นความรู้เห็นหลงก็รู้เห็นสุขก็รู้เห็นทุกข์ก็รู้เห็นความโง่เหงาหาอนอนก็รู้เห็นมันคิดก็รู้รู้จะเพื่อเพื่อไปเอาไปเอามาเนี่ยภาวะที่รู้สึกตัวภาวะที่รู้สึกตัวนี่ย มันก็จะไปเห็นเห็นรูปเห็นนามเห็นอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับรูปกับน้ํามมันก็มีเรื่องเดียวชีวิตของเรามันฉายให้เราดูอยู่ความหล ง, ล ง, งความเกี่ยดข้างกี่หนนความรักความชังความโกรธความทุกข์มันเกลียดข้างเกลียนแต่เราได้เห็นแต่ก่อนเราไม่ได้เห็นนะเมื่อไม่ได้เห็นมันก็ควอมงามเราได้เราก็มีรสชาติแต่ถ้าเราดูจริงๆเนี่ยเราจะจืดได้ เห็นมันความมันจืดจริงๆความทุกข์มันก็จืดจริงๆไม่มีค่าทําให้เราเป็นทุกข์ได้เหมือนเราดูหนังดูละครเรื่องเดียวเรื่องเดียวที่เขาฉายให้เราดูนะมันก็ไม่มีค่าไม่มีรสชาติไม่มีรสชา ต, ชาติชีวิตเราก็เรื่องเดียวเท่านั้นหลยนะไม่มีหลายเรื่องแบบคโกรธคนเดียวหรือโกรธจนตายความทุกข์ก็อันเดียวนั่นแหละทุกข์จนตาย ความหลงก็อันเดียวคือความหลงมันก็หลงจนตายความรักควา ม, วามชังอันเดียวนั่นแหละ ม, such, มันก็รักก็ชังจนตายบางอย่างของอย่างเดียวรักของอย่างเดียวชังบางอย่างของอย่างเดียวยินดีของขอย่างเดียวยิน <smartphones> <goo> ้า่มันเปลี่ยนใจเราแล้วแต่เราจะสมมุติเราไปสมมุติเอาเป็นคลั่งเป็นขาวบัญญัติเอาเป็นคลั่งเป็นขาวมันก็จะินไปในทางโลกโลกมันก็ไม่ลดชาต เมื่อมีรสชาติมันก็ครอบงมเราได้โลกมันครอบงำเรามันหมุนให้เราไปตามมันเอ่ามันเกิดความโกรธก็แสดงไปกับความโกรธเมื่อมันเกิดความรักก็แสดงไปกับความรักเมื่อมันเกิดความชั่งก็แสดงไปกับความชักงเมื่อมันเกิดความทุกข์ก็แสดงไปบทของความทุกข์ไม่ไหวเลยชีวิตเราหยุดมันเสียเถอะมาลู่สึกตัวมาดูพระพุทธเจ้าชวนให้เรามาดู สูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้สูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันวิกิตรการดุดราดชะลดที่คนของห ม, มกอยู่คนเขาคือคนโง่หมกอยู่โจมอยู่ผู้มีปัญญาหาข้องอยู่ไม่ไม่ของอยู่ผู้มีปัญญาหมกอยู่กับความหลงหมกอยู่กับความโกรธหมกอยู่กับความทุกข์หมกอยู่กับความรักความชังจารพัดจางมันเป็นผู้เป็นชาติ มันครอบงำชีวิตจิตใจของเราแต่นี่นะทําไมเราจะไม่ต้องปฏิบัติแต่มองดูแล้วโอ้มันก็เสียเวลานะเสียเวลาไปกับความหลงเสียเวลาไปกับความทุกข์เสียเวลาไปกับความสุขมันก็สิ้นเปืองเหมือนกันนะมันสิ้นเปือกสิ้นเปืองพลังของชีวิตเช่นความคิดจากที่ก็สิ้นเปืองนะคิดมากๆในสิ้นเปืองนะน่าเสีดเลยละ่ะ ถ้าคนบางคนที่คิดมากๆเลไหลอยู่เรื่อยนะไหลอยู่เรื่อยเรื่องเก่าไหลไปเรื่องใหม่ไหลมามันน้ําขีน้ํามูลที่มันไหลอยู่มันใหม่ไหลมาอันเก่าไหลไปมันไหลสิ้นเปืองสิ้นเปืองแต่คิดมากๆสิ้นเปลืองพลังงานสติเท่านั้นที่หยุดหยุดแล้ววะนะหยุดแล้วหยุดปรุงแล้ว การปรุงในมันสิ้นเปืองการไม่ปรุงนะมันมีพลังงานมันเป็นวิสังขารวิสังขารคือหยุดแล้วหยุดุงแล้วเป็นสติลุน่นล่วนเป็นชีวิตลุน่นล่วนเ อ, มอาม่ใช้ให้สาเร็จประโยชน์มันไม่ใช่เฉพาะเราอย่างเดียวแล้ ว, วะนะมันก็เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นแม้การตัดสัลูกของพระพุทธเจ้านะมันเป็นประโยชน์ต่อทุกสรรพสิ่งในพระสูตรนั้นเก้งกวง เห็นดินไว้อะไรต่างๆเพราะคนดีเกิดขึ้นมีผลกระทบต่อพวกเราทุกวันนี้อย่างน้อยก็การตัดสรลูกของพระเจ้าก็เป็นทุลีได้ตย้ยมาติดกับจิตใจของเราติดกับกายของเราทำให้เราอยู่รอดนะแม้จะไม่ปฏิบัติไม่มีอะไรก็ตามมันยังมีคุณธรรมยังช่วยเราอยู่ถ้าเราโกรธห้าวัน10บวันไหเราตายไปแล้วความไม่โกรธก็ยัง <ไป S 1> เราออยู่เออ ไม่เป็นไรบางทีก็พูดในใจออช่าง ม, มันเถ อ, อะแล้วก็แล้วไปรักโกรธกันแล้วคืนดีกันก็ได้ทมก็ยังรักษาคนเราอยู่แต่ว่าเราไม่ให้โอกาสเท่าที่ควรทมก็ยังรักษาผู้ประพฤติทมอยู่บัดนี้เรามามีโดยตรงมีหน้าที่โดยตรงให้โอกาสแก่รมให้ความเป็นธรรมต่อธรรมถ้าเราไม่เจริญเติกายก็เบียดเบียนใจ ใจก็เบียดเบียนกายบางทีความทุกข์ที่ใจเอา้ากายก็ลําบากกายเป็นทุกข์ที่กายใจก็ลําบากไม่รู้คนที่ไม่ศึกษาจะไม่รู้เลยค น, น, นไปกันแต่กายเบียดเบียนใจใจเบียดเบียนกายทุกข์ใจมากๆเกิดเป็นโรคกระเพาะอาหารโรคแสกซ้อนร่างกายอ่อนแอสารพัดอย่าง นะถ้าใจมันสูญเสียความสมดุลของกิจแล้วกระทบกระเทือนไปทางกายกระทบกระเทือนไปทางกายไม่พอก็ยังกระทบกระเทือนไปทางสิ่งเวดล้อมใกล้ตัวเราแต่เรามารู้มาเห็นแล้วเนะี่ยโอ้เป็นธรรมเกิดขึ้นในกายในใจถ้าไม่มีความเป็นธรรมเกิดขึ้นในกายในใจเราแล้วอยาหาความเป็นธรรมจากสิ่งอื่นวัตถุอื่นคนอื่นน่ะได้ยากอย่าไปพึ่งเลย เรียกล่องความเป็นธรรมมันไม่มีในโลกนะมันเรียกล่องจากสิ่งอื่นคนอื่นไม่ได้ความเป็นธรรมมันต้องเกิดขึ้นกับเราหาให้พบมีแล้วมีความเป็นธรรมแล้วลุยมันเลยโลกนะั่นนะไม่ต้องกลัวความเป็นธรรมมันมีในชีวิตจิตใจของเราถ้ามีความเป็นธรรมเกิดขึ้นกับชีวิตเกิดขึ้นกับกายกับใจของแต่ละคนไปแล้วนั่นะแหละแผ่นดินมันจะลาบเมื่อหน้ากองใส การเจริญสติเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะมันเป็นธรรมนะมันก็จะมีการพบเห็นเห็นรูปเห็นนามเห็นธรรมชาติของรูปเห็นธรรมชาติของนามเห็นดาการของรูปเห็นดาการของนามเห็นศินเห็นสมาเห็นป่าเห็นกุศลเห็นอกุศลอกุศลคือความงูหลงงมงายความชั่วเหลวไหล เราจยงยังแกมาให้มันครองชีวิตเราอยู่รบางทีสุขสนปรุงแต่งให้เกิดความลับความชั่งสุขซนปรุงแต่งให้เกิดความโลภความโกรธความหลงสุกซนปรุงแต่งให้เกิดความอิจฉาพยาบาทมีใจมีกิจไปใช่แบบนั้นเลยมันจะมีค่าอะไรเราม่กายไม่ใจมีกิจต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ใช้ให้เกิดความเมตตากรุณา ใชใ่เกิดความสงสารใชใ่เกิดเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเราใช่กายใช่ใจผิดๆนั่นก็เป็นพูดต่อชีวิตจิดใจเราทําลายตัวเราแล้วก็ทําลายคนอื่นไปด้วยมีปัญหาเต็มบ้านเต็มเมืองเพราะเราใช่กายใช่ใจไม่เป็นโลนวุ่นวายซับซนหน้าบูดหน้าเบือตึงเครียดพูดตกไปก็ พลุสวาจะทอดากันจิตใจก็บอกผมไปด้วยความปอด ช, ช้าพยาบาลเป็นไฟที่เผาลนชีวิตจิตใจของเรามันจะไม่ฆ่าอะไรชีวิตเราเนี่ยมาตื่นแต่ดึกศึกแต่นมอย่างเนี้ยมาปฏิบัติธรร ม, มเอาให้มันหมดพิษหมดสงมีแต่สติมีแต่สัมปชัญญะเนี่ยของพกก่อเขาพรมใจคณะเรียกว่าสถาบันของหมอแพทย์พยาบาล เป็นสถาบันใกล้เคียงกับสมณะใกล้เคียงกับความเป็นพระเพราะงานของเราเป็นงานช่วยคนช่วยชีวิตช่วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยเราก็ต้องแสดงให้เขาเห็นคนหนึ่งทำความดีอยู่ตรง น, น้นตรงนี้มาฝึกมาหัด ม, มาปฏิบัติตธรรมมาเจริญสติมีสติเราเป็นบ้านเป็นเรือนของเราเข้าหาศีลหาธรรม ทำย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวศนะีลจะมาช่วยสมาธิจะมาช่วยปัญญาจะมาช่วยบุญก็จะช่วยกุศลก็จะช่วยมรรคผลก็จะช่วยชีวิตของผู้ปฏิบัติธรรมผนะู้มีศีลผู้มีสัจจะความเป็นจริงในเราจึงมาปฏิบัติธรรมสร้างลงไปสร้างลงไปมันไม่พีดออก อังโน้ยมันเคเห็นความหลงเกิดขึ้นเราเปลี่ยนความหลงที่มันเกิดขึ้นกับเราให้เป็นความรู้สึกตัววางทีมันทุกข์เราเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นความรู้สึกตัวมีไหมเวลามันหลงมีไหมเอเปลี่ยนไหมเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ไหมเปลี่ยนได้ไหมเอ้ยมันต้องได้แค่นี้เองมันหลงที่ไหนก็รู้ขึ้นมามันดีแล้วมันดีตรงนั้นแหละมันเก่งนะอ่ามันจะเก่งตรงที่เราเปลี่ยนความร้ายเป็นความดีนะ มันจะเก่งที่เราเปลี่ยนความผิดเป็นความถูกมันจะเก่งตอนที่เราเปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์มันจะเก่งในตอนที่เราเปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธนั่นแหละคือปฏิบัติต่อหนี่ไปเราจะต้องเปลี่ยนนะอยู่ตรงไหนก็เปลี่ยนมันเกิดตรงไหนก็เปลี่ยนไลายเป็นดีได้แหละเรียกว่านักปฏิบัติเรียกว่านักภาวนาไม่ใช่มานั่งอยู่กับหลวงพ่อหรอกมาอยู่แค่เจดวันก็พอแล้วเนาะ เปลี่ยนเป็นไหมเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ปฏิบัติเปลี่ยนไล่เป็นดีเปลี่ยนผิดเป็นถูกเปลี่ยนทุกเป็นไม่ทุกเนี่ยมันไม่หนักไม่หนาอะไรหัดเปลี่ยนบ่อยๆหัดเปลี่ยนบ่อยๆแต่ว่าพลังแห่งการเปลี่ยนมันต้องรู้สึกตัวนะนี่เรว่าสร้างพลังแห่งความรู้สึกตัวถ้มีความรู้สึกตัวมากเป็นมหาลู่น้ำหาใหญ่มันไหลหลากพัดพาขยะพัดพาสาหลายพัดพาเสียงกระซุกเรืยองไปเลย มหาลู่มหาสติปัฏฐานนะไม่มีอะไรเหลือความชั่วทั้งหลายไม่มีเหลือถ้าเป็นมหาลู่แล้วนะแล้วเราก็สร้างได้สิบสี่ลู่สิบสี่จังหวะชั่วโมงหนึ่งเทอาลู่ทุกจังหวะลู่ทุกจังหวะประมาณสามพันลู่แล้วนะอ่าไม่ใช่น้อยนะเรียกว่าปฏิบัติได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกระตาผู้ปฏิบัติย่อมลู่ยิ่งเห็นจริง ในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นตามสมควรแจ้ผู้ปฏิบัติไม่ต้องเอาลัทธิในกายไม่ต้องเอาเพศเอาไว้ไม่ต้องเอาอะไรมาขวางกันเอากายมาสัมผัสกับความ ร, รู้ทุกคนไม่กายไม่ใช่บ่านั่นเป็นหญิงนั่นเป็นชายนั่นเป็นคนหนุ่มนั่นเป็นคนแก่นั่นเป็นพระนั่นเป็นฆราวาสญาติโยไม่ใช่คนก็นมีสิทธทิ์เท่ากันรู้สึกตัวรู้สึกตัวนะ ปฏิบัติได้ทุกคนรู้สึกตัวได้เมื่อรู้สึกตัวมันก็ไม่มีความหลงแล้วมันทันทีทันทีเป็นปัจจัตังไม่ใช่ว่าเออยกมือวันนี้แล้วพรุ่งนี้ค่อยจะรู้นะยกมือไปก่อนพรุ่งนี้จังจะรู้ชาติน้าจังจะรู้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้เป็นปัจจตังรู้รู้นะนี่ว่าปฏิบัติได้ให้ผลได้เนาะ